พวเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วกับอาชีพมันหนัน <c oughs> ให้พอใจให้มีเวลาเวลาอะไรก็ตามเพื่อปฏิบัติล้วก็ชาวนาทำไร่ตื่นเช้าก็คิดจะไปทำนาทำไร่ ถ้าจะพูดคำก็พูดเรื่องทำนาฤดูเกี่ยวข้าวก็พูดเรื่องเกี่ยวข้าวเดินผ่านกันก็ถามเกี่ยวข้าวเสร็จหรือยังฤดูดำนาก็ถามเรื่องปลัดดำนาไม่มีคําถา ม, มอันเดิมแต่คิดก็คิดเรื่องงานเรื่องการคิดจนฝันว่าไรเกี่ยวข้าวฤดูเกี่ยวข้าว เราดูไถานาก็คิดฝันคิดมากกันฝันว่าได้ไหนามันเป็นอคอมพิวเตอร์ไปในตัวอน้วเปฏิบัติเนี่ยเอาให้มันสุดเพียงใลองรูจนฝันว่าได้ปฏิบัติทางทีก็เป็นเช่นนั้นจริงๆสมัยปฏิบัติใหม่เคยเขียนเชือกยกลงอะไรก็ยกมือรู้สึก ยกมือไปจบเข้าในปากควรู้สึกตัวมันขินมันเป็นเนื้อมันเป็นเนื้อเดียวกันมันแยกไม่ออกคือความรู้สึกทั้งหมดเรื่องของกายคือความรู้สึกเรื่องของใจคือความรู้สึกตัวเวลาทั้งหมดเป็นการให้ความรู้สึกตัวไม่แก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 เหตุใดที่จะรู้สึกตัวไม่มีโอกาสสร้างจังหวะที่อยี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆก็เอาโดยอ้อมโอ้โอด้ไยินเสียงฟังอะไรดูอะไรรู้สึกตัวไปเรื่อยๆไปในความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆจนง่ายไปทั้งหมดเลยกลาเป็นความรู้สึกตัวไปเรื่องง่ายที่สุด มันเป็นชีวิตชีวาถ้าเราหัดแก้วก่นอไนะได้เนื้อได้หน้าได้เนื้อได้หน้าเป็นเดนเดียวกันแม่ เ, ออเลี้ยงลูกก่อนพอลูกร้องโอ้ยเจ็บก่อนลูกนะพอลูกลูกก่อนมันก็ไปกับลูกออก ทั้งตาทั้งหูทั้งใจทั้งกายไปกับโลกเคลื่อนไหวยังไงล้มลกุมลกสมลกุลกคลายนะเอาใจช่วยเอาใจช่วยลูกออกอยู่ตลอดเลหล่ะแม้แต่เป็นชีวิตคนละดุลละก้อนแต่ว่ามันเป็นอันเดียวกันแม่เลียงลูกออกแตที่สุดมันก็ สำเร็จนะสำเร็จ <c oughs> เป็นปริญญาในโลกคนที่หนึ่งได้ปริญญาตรีโลกคนที่สองปริญญาโทโลูกคนที่สามได้ปริญญาเอกะบางคนก็ช่างไม่ทำง า, านทำเจริญสติข้อมันก่นอนเราให้เป็นมันนัง่งน้ามหนึ่งน้ามอันเดียวก่อน ได้เน่าได้น้าําอันเดียวกันตาเห็นโูกก็สติหูได้เห็นเสียงก็สติจมกูกได้กินเล่นได้รสก็สติจิตใจที่มันคิดก็รู้เป็นเรื่องของสติถนันดผู้ตะปราสายอะไรทั้งหมดเป็นความรู้สึกก่อเท่าจนตอนนั่นมันจะไปไหนนะจะมีศีลมันจะไปไหนล่ะจะมีสมาธิจะไปไหนจะมีปัญญาจะไปไหน เราทําสุดเพียงเราของเราก็ขอให้มีความมั่นใจเราทําอะไรให้ไม่ความมั่นใจเราเป็นชาวนาเราก็มั่นใจเราทํานาเนี่ยมีความมั่นใจมากเวลาปลูกข้าวก็มั่นใจมั่นใจจนจนคิดว่าปูจะไม่กัดต้นข้าวที่เราปลูก มันมื่นใจบางทีตรงไหนที่มันปูชอบกัดข้าวเราเป็นคนไปปักดําเองนะแต่วันน่าแปลงหนึ่งมันเม่นหน้าตรงที่อื่นไม่เม่นหนาตรงหน้ามหมังขังมันปูชอบกัดเราไปความมั่นใจจับต้นกล้าเป็นดําตรงที่ปูมันกัดบาทีมันก็ไม่กลัดเหนกันนะคนมโนวิภาคไม่กัดจริงๆนะเรามั่นใจนะ มัเชื่อมมั่นอะไรไม่รู้นะไม่แต่เราทําอะไรที่เป็นปีเตอร์ทำงานทําการสร้างบ้านสร้างเรือนถ้ารับถ้าเราได้ตีตะปูเองมั่นใจขึ้นเป็นนั่งได้นะถ้าเราทําเป็นคนทําเองคนะนอื่นตีให้ไม่มั่นใจต้องค่อนไปต่อต่อดูก่อนจึงค่อยนั่งนะเราทําเองมั่นใจกรมีปีมตอ มันมีฝีมือมันก็มันก็สําเร็จอะไรของเราสาเร็จรเรื่องการพิเรนสติเนี่ยขอให้ขอให้หนึ่งเดียวสิวนะพีวิตรเหล่านะทำอื่นก็เคยเพรเราก็เคยเคยผ่านเคยมีอะไรมาบ้ากและลองหันหันหน้าเข้ามาทางนี้ลองดู ไปสักครั้งหนึ่งให้ทำให้สุดที่มือของแล้วถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันไม่มีกลางวันกลางคืนหรอกกลางวันมากกว่าืนนั่นแะกลางคืนอันเดียวันถ้าเรามองดูโลกน่มันไม่มีกลางวันกลางคืนอย่าไปหลงลอย่าไปหลงกลางวันอย่าไปหลงกลางคืนไม่มีความสำคัญเลยกลางวันกลางคืน อะไรอะไรก็ตาไม่มีความสําคัญถ้าเราเจริญสตินะเพราะความรู้สึกตัวมันมันมันสุดยอดมันสุดยอดมันเป็นปรมาจารย์แล้วความรู้สึกตัวมันเหนือเหนือทุกอย่างเราจึงพยายามนะบางครัการกะทำให้มันให้ความมั่นใจมาก แต่ไปกรททำแบบหลักตรวลมหวงเอาแต่พิธีเลยตตองแห้มันเกินพิธีไปพิธีเนี่ยบางทีเ็าก็ขวางกั้นได้เหมือนกันก็าเราเป็นนักบวชเราถือว่าตัวยังเป็นนักบวชทำอะไรก็บางทีก็าจะเอาเปรียบคนอื่นก็ได้ ยิงก็ได้เป็นทิฏฐิมานะเตยก็ถ้าเราเป็นทั้งบทจริงๆมันมันต้องต้องอ่อนน้ อ, ทอมท่อตนที่สุดนะถ้เป็นทั้งบทจริงอะไรก็ที่ว่ารับใช้ทั้งหมดช่วงมันเหม็นก็เสนอเราเนะมันมันอ่อนลงแบบอย่าไปยิงอะไรที่มันไม่ดีไม่งามเสนอตัว เสนอตัวมา้าเป็นเรื่องความดีไม่ถือว่ายากแต่ว่าช่วยไม่ใช่งอมืองอเท่าถ้ามันเป็นสมมติเป็นเด็กบางทีมัอก็ข่มกันไดแต่ เ, เราเป็นคาหวะข่มขกันไดเอหลวอเป็นพระกอหนูเป็นโยม หลวงพ่อทำได้ของพ่อของพ่อไม่กลัวผีหลงพ่อหลวงพ่อเป็นพระเราเป็นโยมต้องกลัวผีเป็นธรรมดาบางคนก็พูดอย่างนั้นนะชื่อว่าผีมันก็ไม่หลอกพระผีเราก็คิดเลยด้นความเป็นพระที่เป็นเพศอาจจะโซ่เพศฆราวาสได้น้ำใจนะ น้ำใจความเอื้อเพื้อเผ อ, อแผ่ความเมตตากรุณาอาจจะมีอยู่ในครวญมากกว่าอยู่ในพระโดยซ้าไปท่าน <c oughs> สมมติบรรยาเนี่เราจะจะให้มันขวางเราเป็นผู้หญิงก็สติอันเดียวกันเป็นผู้หญิงก็สติอันเดียวกันเป็นผู้ชายก็สติอันเดียวกันเป็นนัก บ, บวญหรือเป็นเครื่องวดอันเดียวกันมันเป็นหนึ่งเดียวเป็นหลักสากล แต่ไปอ้างว่าฉันเป็นโยมเป็นผู้หญิงด้วยแม่แต่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงเลยก็ของกันแะจะไปคิดจะคิดเราก็หนึ่งหลอกเราจะต้องปฏิบัติเปนกันนั้นพระอรนุนนท์ถามพระพุทริจักนางประชาพอดีอาประชาพดีโคตรมีไปขอบบวช พ่าเจ้าไม่อยากแตบทแล้วพ่อโนโนก็ไปทธท ร, รมาวินัยมาผลใผ่านอริยมาริยผลนนะผู้หญิงสามารถที่จะปฏิบัติถึงอริยมาริยผลได้พ่าเจ้าบอกว่าได้ได้ทั้งนั้นฉะอเพราะเหตุนั้นพระดางมหาไป ทางวัดีก็เป็นผู้หญิงก็ไม่โอกาสที่ถึงมากถึงผลได้ฤิษีโรริจาก็าอนุญาตให้กวดวัดเดียวครับสา ม, มารถถึงมากถึงผลได้วิธีปฏิบัติของพวกเราเราก็พิสูจน์ได้เองไม่ต้องรองคำถามไม่ต้องรองคุณอื่นเรายกมือขึ้น เรายกมือเพื่อนน่อยเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัววามรู้สึกตัวก็ไม่มีคำถามว่มาเือนอะไรเราจะรู้เองเอวลามันหลงเวลาใดมันหลงมันต่างกับความรู้สึกตัวเรามีความรู้สึกตัวความหลงก็หมดไปไม่ต้องไปถามใครเราสัผัดไปเราสัผัดไปสัผัดไป สัมผัสกับความรูม้มจะเห็นความหลงสัมผัสกับความถูกไม่จะเห็นความผิดสัมผัสกับความไม่ปกติไม่จะเห็นผิดปกติเราก็ไปไปหาความปกติเองเหมืาหลวงพ่อโคเรชาติความปกติเหมือนบ้านเหมือนเหมนที่อยู่ของกิจสติเหมืนผู้ดูแลจัดสรรให้ให้อยู่บ้าน ให้อยู่ในความปกติแม้เวลาใดที่มันหลงออกไปสติก็ช่วยให้กลับมาอยู่กับความปกติเหมือนแม่เ่อสอนโลกอย่าเนี้มยบอย่านี้มบเพ้าบ้า น, อ, านอย่าไปทางฝนอย่าไปทางแดดอย่กไปเด่นางนั้นเดี๋ยวตกเดี๋ยวชนโน่นชนนี้โล ก, ก่อนจับเมฆจับอะไรตก บ, บ้านตกเงือนแม่จะต้องบอก สติก็มันแม่ถ้าเราศึกษาดูดีๆทำอะไรบางทีมันรู้สึตัวมันก็เลยจะกลับมาหาควาปกติถามว่ามันหลงไหมมัน ผ, ผิดปกติเมื่ อ, อไหร่บางีมันมีพลังช่วยพลังแห่งความรู้สึกตัวพลังแห่งความปกติช่วยเราอีกว่าแต่ให้ให้แยกขาด อย่าผิวผิวเป็เพดเหมือนเราทำง า, ทำานทำงานบางทีเราทำสิ่งใดที่มันแยบคลายเราไม่เราไม่ซึ่งใจนะล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้โอกาสพาดโอกาสไม่แยบขลายเช่นเราไม่หูบางทีหูเสียงมันก็ได้ยินอยู่แต่ว่า เราก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเสียงที่มันได้ยินบางดีเสียงที่มันได้ยินอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะมีโอกาสอนะตากระดิบเขามาแยกขาดเช่นสมัยหนึ่งมาทําลงโบสด ท, ที่หอวใจหลังนี้จะฟังอยู่หลังเขาเอากันไปลงโบสด <c oughs> <c oughs> เวลาเดินกลับลงมา ผ่านชลาไก่เสียงแม่ไก่มันร้องกะตาก็ตาก็ตาเพื่อนเดินผ่านไปเก้าลกูกสิบลูกผ่านแม่ไก่ที่มันร้องก็ตาก็ตาพ่อก็เดินตามหลังมาก็ได้ยินเสียงแม่ไก่ร้องก็เยี่ยมโห่ความเอ้ยแม่ไก่มันร้องอะไรมันต้องผิดปกติมันจงร้องแบบนี้เพื่อนเดินผ่านไปเลย ไม่ได้ดูแม่ไก่มันล่องอะไรเราเดินมาที่ร้านก็ดูโหเหตุที่มันล้องกาไปแย่งกินไข่มันในหละ่ะผลจึงองเลยเพื่อนก็เลยเห็นวัดีเราไปไล่กาออกจากกลังไข่ถ้าถามเพื่อนว่าแล้วก็คนเดินมาผ่านฉลาไก่ได้ยินเที่ยวแม่ไก่มันล่องไหม ได้ยินแต่ไม่สนใจไม่เป็สนใจทุกคนก็ได้ยินเดียวแต่เลยพลาดไปซะเลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ทําดีเลยไม่ได้ช่วยแม่ไก่เราก็เออบางทีโห้ได้ยินเสียงเกิดประโยชนเกิดโทษเมื่อมันในโทษเราก็เว่งพองหูตามันเห็นเรามีความแย่ข่ายอาจจะได้ผรุษคําพราตาเห็นอาจจะได้ผลลัธ์ทำองราได้ยินเราได้ เห็นถ้าอะไรยัสงบางลูกเห็นใบไม้ลวกภาษาใบไม้ลวกเฉยๆก็ได้ผลธรรมเพราะพิจารณาโดยแยกขาดเห็นต่อนจงมันไหลตามแม่น้ํามันไหลไปล่องน้ําไหลเรื่อยเรื่อรืยเืยมันไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขาประมาทประมาณกับตัวเองถ้าติดฝั่งซ้ายถ้าติดฝั่งขวา ถท่อนทรงท่อนนั้นติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาแล้วก็คนมาร ก, ก็เอาขึ้นฝั่งเอาไปเลื่อยเอาไปอะไรท่อนทรงท่อนนั้นไม่มีโอกาสจะถึงจุดหมายปลายทายงก็มาเปรียบเทียบกับตัวเองแต่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือความยินดีความยินร้ายบางทีไปสยบไปติดอยูกับความยินดีมารก็ได้โอกาสไปติดอยู่กับความยินร้ายมารก็ได้โอกาส วาเปรียบเทียบตัวเองมันอยู่ตรงกลางหรือมันเองในมันจิตตรงนั้นเอามาเอามาปฏิบัติเอามาสอนตัวเองคนที่สุ์เอาท่อนชงมาเป็นปุกขลาทิฏฐาน ม, มาเป็นธรรมาทิฏฐาน ม, มาสอนตัวเราคนที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเปียบเทียบเลยหรือนางหรือภิกษุณีตนหนึ่งอยู่เขาทิจจกุ เห็นคนช่างเขาช่างลงอาบน้ําคนช่างก็ยืนอยู่คนฝับอกช่างลงไปใไ ห, พห้พ่นข้างหลังให้พ่นข้างซ้ายให้พ่นข้างขวาให้พ่นข้างหลักช้างมือก็โดนน้โพ่นหลังได้ไหมเหนะมมือโอ้โหพนข้างหลังเออโอ้พนข้าง ขดาปวดปวดโค้นระซ้ายปวดโก้นท้องปวดเจ้าของดูจนพอใจสะอาดนะบอกข้างขึ้นมาพอบอกข้างขึ้นมาก็บอกช่างนวดตัวเองไปนวดจนไหมเอาข้างซ้ายเอาข้างซ้ายไปนวดตจนไมมบอกเอาข้างขวาช่างเอาข้างขวาไปนวดจนไหมบอกข้างหลังช่างก็ เออนหลังไปนวดจนมากเอาท่องพังเอาท่องนวดจนมาก็อบอกมหามหาเจ้าของโอบรองเจ้าของเาสีคอช้างกลับบัตริกสุนีตนนั่นเห็นทวนช้างสอนชางก็งมาเปรียบเทียบกับตัวเราเรานี่เป็นพิกสุนีแต่ไม่จัดสอนเองไม่ได้เหมือนชาง เอาช่างเป็นครวัวจังเขายัางทําได้เราจะไปปลอยให้จิตหมกมุ่นคนคิดหรือเราหยุดไม่ได้หวันร้อนเราเย็นไม่ได้หรือวันทุกข์เราไม่ทุกข์ได้ไม่ได้เลยอะอะไรก็ตามมาสอนดัดแปลงผลที่สุดเอาช่างเป็นครวัวเอาปฏิบัติก็ได้ผลรู้ทำบางทีมันติดประโยชน์ทั้งหมดนะ่ะชีวิตของเราการใช้ชจุลปัจจัยแม้แต่ผมมุ่นว่า ความมุ่นหมายความเครียดเนีไยความพุ่งซ่านอะไลองดูดีๆมันก็ต่างกันกับความไม่พุ่งซ่าความมุ่นหมายความอะไรต่างๆมันต่างกันอยู่กับความปกติอย่ไปจนนะเปรียบเทียบทันทีะละทักท่วงโต้ตอบ เไขเปลี่ยนให้มันถูกมันผิดอยู่ในเราเปลี่ยนให้มันถูกไหมเราการปฏิวั ต, อตนะิอย่าไปหอบไปไหนไปโทษโนนโทษนี่เช่นเรานั่งอยู่ปฏิบัติธรรมเขาปวดเครื่องพยานตรงตัว อ, อไปโทษเขาต้มากลับมาหาตัสวนทางทวนกระแสทวนให้มันเก็คตัวเลย อันนี้มันจะค่อยตามเอาให้มันแหวกขึ้นเนาะแต่มันอลองทวนเลยมันจะเก่งไปเรื่อยๆถ้าเราเลยก็ค่อยตามหมดเอะไรไว้ไปตามอะไรก็ไว้ไปตามแล้วยบย่อนก็ไว้ไปตามเจ้าเน้นท่าก็ไว้ไปตามเหมือนชีวิตเหมือนกระสุอชักคาไป เราต้องเป็นตัวของตัวการปฏิบัติธรรมต้องเป็นตัวของตัวเพราะมันมีหลักอยู่มันมีสูตรอยู่มนมีหลักอยู่ส่ว่ารูส้สึกตัวมันเป็นหลักไปไหนก็ต้องกลับมาตรงนี้ไปไหนก็กลับมาตรงนี้อจะไปความสุขความโลภความโกรธความหลงกิเลสเพลินเพื่นแล้วก็กลับมาหาตรงนี้มาหาความรู้สึกตัวตด้วยฝีมือของเราด้วยมือของเรา ด้วยการกระทำของเราแต่ไปอ่มองไกลแต่ไปมองไกลตัวของที่มันไกลตัวมันใช่ ไ, มไดมะของที่มันอยู่ใกล้ๆมันใช่ไหม่ะมันใกล้การปฏิบติธรรมปัติีมันใกล้กรกรททปัจจตังเนี่มันใก ล, นะมใกล้มันอยู่ใกล้ๆมันสามารถทําได้นต้องต้องให้เก่งนะ การปฏิาัติต้องเก่งทันทีไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นอ่นอนนอไปเลยแล้พอทำแล้วแค่นี้เลยเราก็ยกตัวขึ้นแค่นี้เลยลแูแค่นี้เลยลู้แค่นี้เลยแค่นี้เลยใครไหวมั้งก็มั่นใจสำหรับเอาแค่นี้หละมีเท่านี้เลยมีเท่านี้เลยควารู้จึกตัวพอทําไปทําไป <c oughs> ถ้ามีหลักเราก็ต้องเกิดการเห็นต่างๆเห็นผิดก็ตรงนี้เห็นถูกก็ตรงนี้ความทุกข์ก็แจ้ตรงนี้ความหลงก็แช่ตรงนี้ความโกรธก็แช่ตรงนี้ถ้าเราไม่ยอมรู้สึกตัวนะไม่ได้ไปไม่ได้นอกออกจากนี้ไปในตัวเรียกว่าเนื้อเนื้อมันในมันอยู่ในตัวเสร็จทันที ความลงก็เอาความไม่ลงอยู่ในตัวไม่คว่ำหลงนะทาพระพุทธเจ้าแต่ว่านิพพานมีอยู่ในสังขารในสังขารมีนิพพานอยู่ตรงนั้นสังขาราปรมาทุกขานิพพานังปรมาทุกขังตรงกันข้าไม่ยรงกันเรียกว่าปฏิบัติคือกักบกับคนละมุมมองตาหมุมมันเกิดอยู่ที่เดียวเหมือนทางสี่แพร่งทางสามแยกสี่แยก แต่มันตั้งต้นทีเดียวกันแต่มันไปคนละทิศละทางนะแล้วก็ตั้งต้นเข้าหลอกทางที่มันก็ตั้งตั้งต้นตรงนี้ทางที่มันถูกก็ตั้งตรงนี้ความนั่นจริงๆนะการปฏิบทติมันก็คือความรู้สึกตัวทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกนะอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่ามันยุ่งมันยากอย่าไปคิดว่าทําได้ทําไม่ได้อันทําได้ทําไม่ได้อันมันเป็นภาษาสมมุติเฉยๆหรอก อันตัวก็ทานั่นแหะู่เตัวมันก็ทาได้ทัีมันง่ายผ่อทําทง่ายผ่นหลงเอาจริงๆแล้วนะต้องหลงน่ะมันยากนะต้องู่เตัวมันง่ายสะดวกกว่าความทุกข์ก็ยอด้งๆแต่งๆผมไมุ่งไม่แต่งมันง่ายง่ายงั้นน่ ะ, อะขอบกระดุกค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 แต่การปรุงโอ้ยสิ่เปลืองพลงงังงานต้องมีสังขารต้องใส่ใจต้องเฮงเลงต้องลำดับต้องลำนำต้องเอาอะไรต่างๆมาเสริมมาสร้างเพื่อให้มันปรุงต่อไปบางคนถึงกับว่ากินเหล้าตีมเพื่อให้มันปรุงถ้าไม่กินเหล้าใจมันจะหายโกรธต้องกินเหล้าเพื่อย่อมใจ าคนกินข้าววัวไม่ได้เอาเหล้ามากินไปข้าววัวได้พวกนี <g> ้ก <ül> ินเหล้าข้าคนกินเหล้าข้าววัวฟาบ่อยกินเหล้าเพื่อจะกินดิบเดบเหมือนหมาเหมือนสัตว์อะไรกันเลยการไม่นปุงมันง่ายนะสะดวกที่สุดหลงพ่อพาทําในสิ่งที่มันสะดวกเพราะพุทธเจ้าพาพวกเราทําเรื่องความสะดวก จนเรียกออกมามาดูมาดูมาดูที่ดูซเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีมาดูมาดูอ่าเพรารู้จุตัวมันก็จึงไม่หลงพราหลงมันก็ไม่รู้มาดูพาดูมาดูเพราะสิ่งนี้เอ so <Aww. S 1> งันก็รู้มันก็ไม่หลงพรรู้มันก็ไม่หลงพรู้ถ้าหลงมันไปแ vet, มันไปไกล แล้วก็มาทําดูมาทำดูนะถูกต้องแน่วพวกเราไม่มีไเป็นอย่างอื่นแบบชีวิตต่อการที่พัฒนาชีวิตสุดยอดของการพัฒนาชีวิตเสียนเนี่ยความรู้สุดตัวเลยนะฮะเราก็ทําได้พูดในสิ่งที่เราทําได้ไม่ใช่พูดเรื่องเราทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าอ่า บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เพชาะฉอันเดียวกันเพราะมันมีอยู่กับเราคนเราก็มีธรรมชาติเท่ากันมีกายกับใจมีธรรมชาติเหมือนกันหมดความรอดความหนาวความหิวความโกรธความไม่โกรธความทุกข์ความไม่ทุกข์ความหลงความไม่หลงอันเดียวกันพระก็อันเดียวกันนักบวดก็เดียวกั น, นก ถ้าเราว่าก่อนเดียวกันผู้หญิงผู้ชายเดียวกันไม่มีเพศไม่มีไว้ไม่มีลัทธิไม่มีนิกา ร, รตัวปฏิบัติเรามองอย่างนี้มองแบบราบรื่นถ้าใช่อันนี้กับเป็นพระสงฆ์อันนั้นก็บสามะเณรดีอันนั้นกับม่กี้อันนั้นกับอวราชิตามันสมมูิมันใช่ประวัตเพรงปรมัติมันต้องอันเดียวกันโลกธรรมนามธรรม คือโลกกับนาสกายกับใจตัวหลงตัวรูกอันเดียวกันทำไปทําไปด้วยใจสบายสบายอย่าไปตั้งคิดไว้ถูกก็เดินไปตั้งคิดไว้ผิดตั้งคิตไว้ให้มันถูกแต่ตั้งไว้ผิดมันก็มันก็ยากจิตนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วก็ อยากระตั้งไว้ถูกแล้วมันไม่มีนะมองนี่ให้ง่ายอะไรองยิ้มใบใบใจใจดีสู้เสือโบอราณทันวะทำไปอย่ามีอะไรมาบังคับขับใสยอย่ามีอะไรต่อรองแม่เราจะมีกําหนดมาเพียงเก็บวันก็เป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีเก็บวันเก็บวันอะไรมันมีแต่โตวรู้โต้หลงตะ ว, วันมันก็ไม่มี านักขัดตังไปริมาณในถางการอะเราก็จะว่าการเวลามันมีอันเดียวกันคือการเวลาชีวิตเราคือการเวลาไม่ใช่วันทิ่จันการพุทธมหา ส, สุดสองนั่นเป็นสมมุติแต่ก็คือความรู้สึกตัวคือชีวิตเรามารูา้คือตัว ความรู้สึกตัวโดนลกเวลาทําอะไรก็เราไม่ได้แต่ถ้าเราหลงเวลาเราก็ลงโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์อ่าไม่มีหล่ะกลางคืนก็ไม่กลางวันก็ไม่ให้เด็กความรู้สึกตัวเอาไปมาความรู้สึกตัวตาเห็นลูกคือความรู้สึกตัวหูได้ยินเสียงคือความรู้สึกตัวสมอไกได้กินได้ดื่มได้รสคือความรู้สึกตัวอ่า อันไหนอันไหนอันไหนกระรต่าคุกคามรู้สุดว่าทางนัน น, <c oughs> นี่เรก่อไม่มีปัญหาอนะไรไหมห่วงนอนไหมไม่ง่วงคิดมากไหม <c oughs> ดีถ้าคิดอ่ะ <c oughs> มันมีถ้าคิดเนี่ยหลวงพอ่อจะสนุกตะถ้าไม่คิดโอย ไม่ดียืดชืดนะแต่มันคิดในีดีมากจะได้เห็นบางทีหลวงพ่อของฮะของจะคิดละโมลเลยละาพาไปแล้วมาหาหลวงพ่อเกาหัวยังไงหลวงพ่อผมมันไม่คิดอทํายังไงผมก็ไม่คิดอะไรเหมือนไม่มีหัวจิตหัวใจอะไรอลไรมันทํำยังไงเขาก็ เขาก็ทุกข์อ่ะตัวไม่คิดอ่ะซึซื้อไปเลยให้มันคิดอ่ะถ้ามันไม่คิดเนี่ยโอ้มันไม่มีรักชาติอ่มันมี่มันก็อารมณ์บางครั้งมันจะไปจบความว่างนะบางทีต้องมาลูบตัวเอ๊ะมันก็มีนะเอามื่อมาจิบขามันยังเก็บอยู่นะมันมีลูปอะไรนะเอามื่อมาหยิบแขนแรงเอะมันยังมีรูกมันนั่นแหละมันว่างมากว่างมากเลยไหาตัวเอามือมาลูกตัว มันว่างเลยอ่ไม่มีรสชาติอันที่มันคิดโน่นคิดนี่โอามันกลับมันว่ามันบดเปลี่ยนเยอะแยะไปหมดเลยแต่มันว่างเลยจะทํทไาไงไม่มีรถชาติเลยเหมือนรถวิ่งไม่เข้าเกลียร์เลยหลงเลงไปหมดเลยใครขับรถไม่มีเกลียร์ไหมหลงเลงไหมใครก็ไม่ไม่ไม่มั่นใจฮะ ถ้ามีเกลียวติดเกลียวอะไรกหน่อยแต่น้อยก็เกลียวหนึ่งเกลียวสองจะเบรคจะอะก็ได้นะแค่คิดลงไปไม่เป็นไรแต่ถ้ า, าคิดว่ามีปัญหาความคิดไม่มีปัญหาอะไรก็ถือถึงไปจะมีปัญหาอันชื่อว่าสติแล้วไม่มีปัญหาจะเลยได้ทั้งหมดให้สติมัเนเฉลยหลายๆเรื่องมันจะเก่ง ถ้าสติไม่ได้เฉลยมันไม่เก็งมันไม่ไม่ไม่เกก็นะนะกราบพระพ่อค่ะรหังมาสะมุโถวโอตังโอตะวันออพิวาเดเม วากาโตโกวะตาโนมตัมมังนัมัสเอืมภะวะติภะนโอโกวะโตสวกะสังโฆัังนมม มีหลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองเองหลอกเองมันหลอกให้รักกันรักมันหลอกให้ชังมันหลอกให้โกรธมันหลอกให้โกให้ทุกข์หลอกให้กลัวลองดูดีๆแล้วจะจับจะจับตัวมันได้จะจับตัวเหี้ยนี้ได้ตัวอะไรเนี่ยหตัวเหี้ย อเพื่อจำโพรติละโพรตีะเน้นสอนโพริีระโพริีระเนี่ยจบพไตทปกนะอไปหาใครก็ไม่สอนแต่หาเน้นน้อยนวลน้อยน้อยก็าบอกลงไปในน้ําำกันมาเน่อยน้อยเขาว่ามีจอมปลวกจอมหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยเข้าอยู่ตรงนั้น จะทําไงถึงจะจับตัวเหี้ยได้เหี้ยตัวเหี้ยมอยู่ในจอมพวกแต่ว่าจอมปลวกไม่อยู่ขอกูโพทีล่าเนี่ยโปรเล่าถามโปรเล่าทํำยังไงถึงจับตัวเหี้ยเท่านั้นได้เนนน่อยถามได้ไม่รู้ทำอะไรนะเพราว่าเขาจับตัวเหี้ยได้ เทอดี่าก็ต้องปิดห้าโลขุดตามโลนี่ไปกดไปพัดโลทั้งห้าเลยปิดหมดกดตามไปแต่มันก็จับตัวนี่อะไรคทั้งพอตอบทั้งนั้ลตัวเองก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็จัดการเลี่ยนโลหกโลเอาโลเดียวตามไปทําไปจับเนี่ยนะเห็นผิดเห็นถูกเห็นสุกเห็นทุกข์มันอยู่ตรงไห น, น ความโกรธความโลภความหลงมาอยู่ตรงนไหนผอก็เลยพูดเสมอว่ามันมีตัวลูกกับตัวหลงเท่า น, นั้นใช่ไหมจิตเวทเรามันไม่มากหรอกในตัวลูกกับตัวหลงนตามหาดูจริงๆเนี่ยมีสองอันเท่านั้นแ้่มันหลงเราก็เปลี่ยนเป็นลูกได้ปิดแล้วปิดรูหลงเปิดตัวลู ก, กสามโลกก็ปะแล้วเราเปิดให้มันออกก็เพื่อ เ, เอเพอมันก็ไม่ได้ ปิดรูหลงเอาตัวลูกเข้าไปอันนี้ไม่ค่อนหรอตามไปตามมา <laughs> ติดปัดให้รู้ไงตัวตัวรูกก้หรตัวอะไรฮู้<ะ> <laughs> จุดได้เลยยกมือยกมือสร้างจังหวะช่วยยกมือช่วยเตนาช่วยให้ตัวลูกมันเด่นตัวรูกมันเด่นมันลงไปกลับมาเนี้ยนีเอาตาดูก็ได้ เปิดตัวลูกตัวลงก็ปิดละมันลงอีกเปิดตัวลูกแั้วก็ปิดตัวลงโดยธรรมาชา ต, ติมันหลงมันโล่มันหลงมันโ ล, น ล, นล่พยายามทำอะไรมันจับเงียดอ่ะถ้าลู่อย่างนี้จับได้มันพูดยา ว, ว่าโอ้ยเจ้าสังขารแต่ก่อนเราไม่รู้จับเจ้าแล้ววิ่งกับเจ้าไปในสงสารอไรกชาต แบบนี่เรารู้จักเจ้าเสร็แล้วเจ้าจะทําอะไรให้เราไม่ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่หน้าเจ้าสําคัญตัวสังขารคือตัวหลงตัวหลงตัวปุงปรุงแต่งตัวไม่ปรุงนะเป็นวิสังขารวิสังขาร คือเป็นชีวิตลุ่นลอ่นอันสังขารเป็นชีวิตปลอมๆมันปลอมตัววิสังขารวิเศษวิวิในวิเศษนำไปนำไปสู่จุดหมายปลายทางวิสนะวิตัวนี้มาจากคําว่าพระได้เป็นพระด้วยวิสนะวิปัสฉนาเนี่ยมันเป็นพระแล้วร่วงพ่นพระว่าเก่าแล้ว ความเป็นปุถุชนความปรุงปรุงแต่ ง, งล่วงมาแล้วพ้นมาแล้วพาถึงวิเศษแล้วพ้นมาอย่างวิเศษนำไปอย่างวิเศษถึงจุดหมายปลายทางอย่างวิเศษอ่ พุทธมนตรจะแม่ก็จะพาไปไม่รู้จะไปไปไหมวันที่ยี่บเก็ดเนอก็ไปยีบเก็ดไปพบกันทีพุทธมนตรนะไปจะพาลังสารไปมันก็จะไปตั้งแต่วันที่ยี่ดิบห้าเนอะคอ เพื่อนกันทั้งหมดเพื่อนมนุษย์พาทั้งหมดคนนี้เพื่อนคนนี้น้องเพื่อนอือวานหลักคนนั้นจะเพื่อนเด่นลูกหลานลูเพื่อนแม่ก็บอกกันต่อๆค่ะคนคนที่ลองสุดทธะคนลองสุดท้ายนี่จะบอกเพื่อนมาอแลอาจะพามาอีกคนคนนั้นก็ติดกันได้วออ เหมือนพยาศากเป็นเพื่อนของิชัยมาก่อนโอคนุทธิชัยอ่ะอ่าเนี่ยคนนั้นเป็นเพื่อนพชัยมากอตั้งแต่เรียนเสร็จจได้เนาะจะได้พิพุทธิชัยเนาะอ่าแจะได้จะได้มาวัดสุขโตเนี่ยพวกที่ปูกเบิกที่แรกคือพวกข่มวุทธิชัยนี่แหละสมนุนวิพาเนี่ยทั้งหมดและกติกอะไรต่างๆเนี่ย ถ้าไม่ใช่พวกเรามาหลวงพ่อก็ไม่สภาพแบบนี้นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็จะไม่ทําอะไรเลยนะ <c oughs> อะคนวุฒิชัมาทีแรกกินข้าวตากฝนเขาถ่ายภาพดี๋ยวซราไก่เซราไก่ก็ล้างต่าๆนะน้องวนนะถังเก็บเนี้ยแล้วก็ฝนตกกินข้าวตากฝนเขาถ่ายรูปมาให้หลวงพ่อดูนีเ่เราเนี่ย ไมกว่าจะอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วคนมากินข้าวตากคนอ่ะก็เยทำยังไงเลยฮะก็เลยคิดสร้างศาลาหลังนู้นนะศาลาใหญ่ศาลาใหญ่ม<อ>ไม่ได้แล้วนะเราต้องทาเพ่อเราตอนนั้นศาลาใหญ่ดีแล้วไม่มีตะกอนไ ม, ไม่มีพอหลวงพ่อเห็นพวกเรากินข้าวตากคนอ่ะก็เลยเกิดกาลังใจขึ้นมาแล้วเท่านั้นก็ก็นวดทิชชูให้งานหลวงพ่อสามหมื่นบาทโอ้ปี500ห้ารอยเท่าไหร่นะ ยี่สี่ยี่ห้าเรีบสามเนี่ยให้เงินสามหมื่นบาทแล้วก็ก็ไปไปชมชาวบ้านทันทีเห็นพวกเราจึงเข้าตาคนบ้านใหม่บ้านกขนงงบ้านวังแค่บ้านทาํามะควายใครจะทําซาลาใครจะเอาอะไรบ้านเอาเสาคนลราต้นเอาเอาจันทันเอาจันทันเอาเอาหลังนั่นเอาไม่เอาไม่เครื่องไว้ไหนไปชมวันเดียวหมดเลยไม่ คนรับไปหมดเลยเอา้าวหลวงพ่อเป็นสังกะซีคนนู้นใช้เงินสามเหมือนเขาก็ยอมเป็นไหม้หลวงพ่อเป็นสังกะซีแป๊ะเดียวเสร็จเลยจลา